วันนี้เป็นวันศุกร์ที่สี่กันยายนพุทธศักราช2563เป็นวันหยุดพิเศษเป็นวันหยุดชดเชยวันเทศกาลสงการานต์ที่ผ่านมาไม่ได้หยุดทางราชการเลยจัดให้หยุดกัน ในวันศุกร์และวันจันทร์ที่จะถึงนี้จึงทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องถึงสี่วันด้วยกันญาณโยมเลยมีเวลาว่างที่จะได้มาเข้าวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้กับชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอันสูงสุดคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนแผนที่สำหรับผู้ที่เดินทางที่ไม่รู้จักทางไปว่าไปอย่างไรถึงจะพาให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปรารถนากันความ สุหมายปลายทางของชีวิตของพวกเราทุกคนก็คือความสุขความปาสจากความทุกข์นั่นเองที่พวกเราปรารถนากันแล้วก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะหาความสุขและปราศจากความทุกข์นี้ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลาย เราจึงยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทาง mm. เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของพวกเราเพราะพวกเรานี่เป็นเหมือนคนตาบอดยังไม่รู้ว่าสุขแทสุขจริงอยู่ตรงไหน mm. ทุกข์อยู่ตรงไหน mm. เรามักจะไปเจอความทุกข์กันอยู่เรื่อย ความสุขที่เราเจอกันก็เป็นความสุขที่ไม่ได้อยู่กับเราไปได้นานมาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหายไป<ม>เราจรึงต้อง<ม>เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>ความสุขที่<ม>พวกเราสามารถหากันได้นี้ ก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็ระดับของคาราวาสผู้คองเรือน <Yeah. S 1> คือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายและระดับที่สองก็ความสุขของบรรพชิตของพวกนักบวชส่วนใหญ่พวกเราก็เริ่มต้นจากระดับแรกก่อน คือระดับของคารวาาผู้คลองเองอนกันเพราะพวกเราทุกคนนี้เวลาเกิดเราก็ไม่แน่เกิดมาเป็นนัก บ, บวชกันเวลาเกิดเราก็ามาเป็นคารวาาผู้คลองเรือนกันก่อนแล้วก็หาความสุขแบบคารวาาผู้คลองเรือนกันไปก่อนจนกว่าเราจะได้รู้จัก ความสุขอีกแบบหนึง่งคือความสุขของบรรพชิตของนัก บ, บวชซึ่งก็อาจจะทำให้พวกเราเปลี่ยนจากการหาความสุขแบบของผู้คองเรือนไปสู่การหาความสุขของของนัก บ, บวชต่อไปเพราะความสุขของนัก บ, บวชนี่ดีกว่าความสุขของผู้คองเรือน แต่ถ้าเรายังไม่สามารถไปสู่ระดับของบรรพชิตของนักบวชได้เราก็อยู่ในระดับของผู้ครองเรือนไปก่อนการอยู่แบบผู้ครองเรือนและหาความสุขแบบผู้ครองเรือนก็สามารถทำได้ถ้ารู้จักวิธีทำที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า ความสุขของผู้คองเรือนนี้มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์สองความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์สามความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินและสี่ความสุขที่เกิดจากการกระทา ที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุขของผู้ครองเรือนที่ผู้ครองเรือนควรจะศึกษาทําความเข้าใจว่าเป็นอย่างไรและทาอย่างไรถึงจะทําให้ได้ความสุขเหล่านี้กันความสุขข้อที่หนึ่งคือความสุขจากการมีทรัพย์หรือจากการได้ทรัพย์ พวกเราคงไม่ปฏิเสธกันเวลามีเงินในกระเป๋าหรือเวลาได้เงินทองมานี้พวกเราจะมีความสุขกันเพราะเงินทองนี่เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกต้องการอะไรอยากได้อะไรขาดหรืออะไรก็สามารถใช้เงินทองนี้ไปจัดการกับสิ่งที่เราต้องการได้ กำจัดความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของชีวิตของพวกเราได้่า <Yeah. S 1> งนั้นการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์นถือว่าเป็นความสุขแบบหนึ่ง <Yeah. S 1> ทีนี้ทำยังไงถึงจะทำให้เรามีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มา <Yeah. S 1> ก็มีสองวิธีนะวิธีที่หนึ่งก็คือ การได้ทรัพย์มาเนื่องจากการได้ทําบุญมาในอดีตคนที่ได้เคยทําบุญมาในอดีตเวลามาเกิดในภพนี้ชาตินี้มักจะเกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีเ <Yeah. S 1> พราะบุญนี้เป็นเหมือนเงินทองที่เราฝากไว้ในธนาคาร <Yeah. S 1> สมมุติชาตินี้เราทําบุญกันอยู่เรื่อย ก็เหมือนเอาเงินทองไปฝากไว้ในธนาคารธนาคารบุญพอเราตายไปเราก็ใช้บุญนี้ส่วนหนึ่งในขณะที่เราเป็นดวงวิญญาณเราก็จะอยู่แบบเศรษฐีบุญในสวรรค์แล้วพอหลังจากที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้มาเกิดในครอบครัวที่มีเงินทอง ก็เราได้ทําบุญเอาไว้เราก็เลยมาเบิกจากครอบครัวของผู้ที่มีเงินมีทองเช่นของพ่อแม่ของพวกเราเป็นต้นยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระองค์ก็ทรงได้เป็นพระเวชสันดร ก็ได em <larger> ้ทำบุญทำทานอย่างมากมายพอเวลาพระเวชสันดรสิ้นชีวิตลงดวงวิญญาณของท่านก็ไปเกิดในสวรรค์เพราะมีบุญพาไปบุญพาให้ไปอยู่ในสวรรค์เป็นเหมือนเงินทิปผู้ที่จะไปอยู่สวรรค์ได้ต้องมีเงินทิปก็คือบุญนี่แล้วพอ ถึงเวลาที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกุมารมีทรัพย์สมบัติมากมายรออยู่โดยที่ไม่ต้องไปหามาเลยมีภาษาสามฤ ด, ดูมีบริสัท์บริวารคอยรับใช้อย่างตลอดเวลา ต้องการอะไรก็สามารถแนลมิตขึ้นมาได้เลยนึกอะไรปุ๊บสิ่งที่นึกก็จะมาทันทีนี่เพราะได้ทำบุญมาในอดีตเห็นพวกเราที่มาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะที่ร่ำรวยหรือพอมีพอกินไม่เดือดร้อนไม่อดอยากขาดแคนพอมีทรัพย์ที่จะอยู่อย่างมีความสุขตามอัตภาพได้ ก็แสดงว่าพวกเรานี้ <Yeah. S 2> ได้เคยทำบุญมาก่อนในอดีต <Yeah. S 2> บุญนี้จึงส่งผลให้พวกเราได้มาเกิดมามีทรัพย์โดยที่ไม่ต้องไปดิ้นหามัน <Yeah. S 2> แต่ถ้าพวกเราบางคนอาจจะไม่ได้ทำบุญมาในอดีตมาเกิดในชาตินี้อาจจะยากจนแน่นแค้น ดัง น, นถ้าเรายากจนร้านแค้นไม่มีทรัพย์จากบิดามารดาวิธีที่สองที่จะทําให้เรามีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ก็คือเราก็ต้องหาเงินทองกันหาเงินทองด้วยการทํามาหากินทํางานทําการแล้วก็มีความขยันที่จะเก็บเงินเก็บทองไว้ ไม่ใช้เงินแบบสุรุยสุร้ายต่อไปเราก็จะมีเงินทองเป็นเศรษฐีได้ถ้าเราศึกษาประวัติของเศรษฐีในประเทศไทยบางคนเขามาจากประเทศจีนเขาก็มีแต่เสื้อใบเสือ้อผืนหมอนใบหนึ่งแต่เขาก็มาตั้งลกลากขยันทำมาหากินปีหนึ่งหยุดแค่สองสามวัน หยุดวันตุนจีนนอกนั้นไม่มีวันหยุดมีแต่วันทำงานหาเงินหาทองได้เงินได้ทองมาก็เก็บเอาไว้ไม่ใช้ใช้เท่าที่จำเป็นเอาเงินไปขยายกิจการต่อไปจนกลายเป็นบริษัทใหญ่โตมีสาขาเป็นร้อยสาขาขึ้นไปเป็นมหาเศรษฐีของประเทศไทย ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เป็นคนไทยเป็นคนมาจากประเทศจีนกันนี่ก็เป็นการได้ทรัพย์มีทรัพย์ด้วยการทำหากินที่ซื่อสัสย์กันการจานจะมีทรัพย์นี้ก็มีได้สองแบบมีทรัพย์แบบที่มีโทษกับมีทรัพย์ที่แบบไม่มีโทษ คือทำหากินก็ต้องทำหากินแบบซื่อสัตย์สุดจริตเป็นการกระทาที่ไม่มีโทษเพราะถ้าการกระทาที่มีโทษมันก็จะเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขถ้าเราทรรมหากินโดยวิธีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมถึงแม้ว่าเราจะได้รายได้มาแต่เราก็จะมีโทษติดตามมา เป็นพวกที่ไปปล้นร้านทองปล้นธนาคารไม่ช้าก็เร็วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวไปลงโทษเห็นการจะหาเงินก็ต้องหาเงินโดยที่ไม่ได้ทำแบบมีโทษคือไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดศีลธรรมเพราะการทำผิดศีลธรรมถึงแม้ว่าจะไม่ถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตาราง แต่มันมีโทษตามมาต่อไปเวลาที่ตายไปแล้วจิตใจจะต้องไปใช้กรรมในอบายจะได้ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวลายาวนานเพราะต้องไปเกิดเป็นเดชะชานก่อนหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตหรือเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่หวาดกลัวที่เรียกว่าอสุรกาย หรือเป็นดวงวิญญาณที่มีความร่วมร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกก<ม>็เกิดจากการกระทําบาปต่างๆการกระทําที่ไ ม, ไม่ไม่ไม่ถูกศีลธรรมอันนี้ก็มีโทษตามมาและขณะที่มีชีวิตอยู่จิตใจก็ไม่มีความสุขเวลาทําบาปแล้วจิตใจจะร้อนจิตใจจะวิตกกังวล จ, จิตใจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นการจะมีทรัพย์ถึงต้องรู้จักวิธีที่มีทรัพย์ที่จะทำให้เกิดสุขคือถ้าเป็นบุญเก่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราได้ทำบุญเก่ามาบุญเก่าก็จะแสดงผลให้กับเรา เราก็จะเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดี <Yeah. S 1> ไม่อดอยากขาดแคลน <Yeah. S 1> มีเงินทองใช้สอยตามความจำเป็นตามความต้องการต่างๆ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราเกิดในครอบครัวที่อัตกัดขัดสน <Yeah. S 1> เราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทรมาหากิก่นเลี้ยงปากเลี้ยงทอง เพื่อที่เราจะได้มีเงินมีทองมาใช้แบบที่ไม่มีโทษติดตามมาไม่มีไม่ไม่ไม่ต้องไปกลัวว่าจะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปติดคุกติดตารางเพราะ<ๆ>เราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นโทษแก่ผู้<ๆ>อันนี้คือความสุขอันแรกของคลรว่าผู้คองเรือนคือการมีทรัพย์หรือ การได้ทรัพย์มาความสุขข้อที่สองของผู้ครองเรือนคือการได้ใช้ทรัพย์นั่นเองเวลาได้ทรัพย์มาก็ดีใจแต่ถ้าได้ใช้ทรัพย์ยิ่งจะทำให้มีความสุขมากขึ้นอีกเวลาอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรอยากจะไปไหนมาไหนพอได้ทำตามความอยาก ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเาะฉะนั้น <Yeah. S 1> วิธีที่จะใช้ทรัพย์ที่จะทำให้ไม่เกิดโทษนี่เราก็ต้องรู้ว่าใช้แบบไหนถึงไม่เกิดโทษใช้ทรัพย์แบบที่ทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขเพียงอย่างเดียว <Yeah. S 1> การใช้ทรัพย์ที่จะทำให้เกิดโทษนี้ <Yeah. S 1> ก็คือการใช้ทรัพย์ไปในทางที่ผิดศีลธรรม คือการใช้ทรัพย์ไปกับอบายามุขเป็นต้นการใช้ทรัพย์เพื่อซื้อสุรายาเมามาเดือดของบุญเมาทั้งหลายยาเสพติดทั้งหลายของพวกนี้จะเป็นภัยต่อชีวิตของตนถึงแม้จะให้ความสุขแต่เป็นความสุขแบบฟ้าแลบความสุขเดียวเดียวขณะที่ได้เสพได้สัมผัสแล้วก็จะมีโทษมีพิษตามมา การกถือสุรายาเมาเป็นอาจินก็จะทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่จะไปทำให้เสียเงินเสียทอมไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียสุขภาพเสียสติทำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ mm hmm. เวลามีอารมณ์ไม่ดีก็ จะระบายออกมาทางวาจาทางกายทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแล้วก็จะเกิดโทษกับตนตามมาต่อไปยัน้นเมื่อมีทรัพย์แล้วอย่าไปใช้ทรัพย์กับพวกระบา ย, ยมุกทั้งหลายดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเพราะการเล่นการพนันนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้อง เสียเงินเสียทองหมดเนื้อหมดตัว ถ, ถ้าไม่ละมัดระวังจะใช้เงินกับอบายามุขดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเล่นการพนันเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาเสียก็อยากจะได้คืน ก, ก็ไม่มีวันเลิก ก, ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเดี๋ยวเงินทองก็หมดแล้วทีนี้ก็จะต้องเดือดร้อน แล้วพอเล่นการพนันก็จะไม่ได้ทำงานทำการเวลาเงินหมดก็ไปทำงานไม่ได้ก็หาเงินโดยวิธีทุจริตไปโกหกหลอกลวงยืมเงินของผู้อื่นหรือไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเล่นการพนันนี่ก็เป็นโทษใช้เงินแบบเป็นโทษใช้เงินกับการเที่ยวมากเกินไปก็เป็นโทษ เที่ยวทุกวันทุกคืนนี้เออที่ยวนานๆทีพอหอมปากหอมคอเป็นกำไรชีวิตก็พอพอทำได้เช่นหยุดสี่วันนีออ้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจอยากจะไปบรรเทาความเครียดจากการทรมาหากินออไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆออที่ไม่ไม่มีอบายามุกเกี่ยวข้องไม่มีสุรายาเมา เป็นตน้นก็พอทำได้แต่อย่าทำแบบเป็นนิสัยจนไม่มีเวลาไปทำมาหากินจะเอาแต่เที่ยวอย่างเดียวเอาแต่ใช้เงินใช้ทองอย่างเดียวถ้าใช้เงินโดยที่ไม่หาเงินต่อไปเงินทองก็ต้องหมดไม่พอจะไม่มีเหลือแล้วก็จะไม่มีเงินใช้ก็จะทุกข์ยากลำบาก นี่คือเรื่องของการใช้เงินที่ควรจะหลีกเลี่ยงถึงแม้จะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขปอมมันมีความทุกข์ตามมาให้ใช้เงินแบบที่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาคือใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อาการดำรงชีพเช่นใช้กับการใช้ซื้อปัจจัยสีที่ขาดแคลน ขาดแคลนอาหารก็ซื้ออาหารหมารับประทานขาดแคลนเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้ามาใช้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยก็ไปหาที่อยู่อาศัยมาอยู่ขาดแคลนยารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปซื้อยารักษาโรคมาการใช้เงินแบบนี้จะทำให้มีความสุข พ่ามาช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลำบากของร่างกายความขาดแคลนของร่างกายนั่นเองอันนี้เป็นวิธีใช้เงินทองที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขกับผู้ใช้แล้วนอกจากนั้นก็ให้ใช้ยงถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ถ้ายังก็อเอาเงินมาใช้กับ สิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพแล้วยังมีเหลืออยู่จะแบ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่ออนาคตก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะมีรายได้สม่าเสมอเหมือนตอนนี้หรือไม่เราก็ควรจะมีสำรองไว้บ้างแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่ก็ให้คิดถึงพพหน้าชาติหน้าที่เราจะต้องไปเกิดใหม่ ว่าถ้าเราได้ทำบุญก็เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารของภพหน้าชาติน้านั่นเองพอเราได้ทำบุญเราก็จะมีบุญติดตัวไปกับเราพอเราไปเกิดในภพหน้าชาติน้าเราก็จะไม่ไปเกิดแบบโอดยาขาดแคลนเราก็จะเกิดอย่างสมดุลสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอันนี้คือวิธีการใช้เงินที่จะทำให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษต้องรู้จักใช้แล้วก็ต้องใช้แบบพอประมาณอย่าใช้แบบฟุ่มเฟือยสุรุยสุรายอย่าใช้ตามความอยากเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อมา ควรจะใช้เหตุผลเวลาจะซื้อของอะไรเหตุผลก็คือจาเป็นหรือไม่จาเป็นถ้าไ ม, ไม่ได้สิ่งนี้แล้วจะทำให้เราทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนหรือถึงกับตายหรือไม่ถ้าไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนลาบากหรือถึงกับตายก็อย่าไปซื้อมาดีกว่าพอซื้อมาแล้วเงินทองก็จะล่อยหลอลงไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวเกิดเวลามีความจําเป็นจะต้องใช้เงินทองขึ้นมาอาจจะไม่มีเงินทองพอใช้ก็ได้เช<ม>่นยุคนี้เราไม่มีใครคิดว่าจะเจอยุคแบบนี้กันที่งานงานการงานก็ร่อยหลอคนตกงานกันรายได้น้อยรายน้อยร้อยลงอันนี้เราถ้าไม่ใช้เงินแบบรู้หลา ฟุมฟ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบเหตุมีเหตุมีผลใช้ตามความจำเป็น <Yeah. S 1> เราก็ยังจะพอมีเงินไว้ดูแลชีวิตของเราต่อไปได้อีกยาวนานนั้น <Yeah. Yeah. S 1> ต้องดูฐานะการเงินการทองของเราใช้จ่ายก็ให้มันอยู่ในกำลังของเรา <Yeah. S 1> อย่าใช้เกินตัว ใช้เกินตัวแล้วจะทำให้ไปมีปัญหาต่อไป <Yeah. S 1> คืออาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมา <Yeah. S 1> ซึ่งการมีหนี้สินก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นสุข yeah. Yeah. ข้อสามที่ของการเป็นความสุขของคารวะก็คือการไม่มีหนี้สินนั่นเองเพราะเมื่อไม่มีหนี้สินเราก็ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกัน คอยหาเงินหาทองมาใช้นี่สินเงินทองที่เรามีเราก็ไม่ถูกเจ้าหนี้เขามายึดไปเอาแย่งเอาไป <Yeah. S 1> บังคับเราต้องจ่ายเขาเพะั <Yeah. S 1> ้นการจะไม่มีนี่สินได้นี้ก็ต้องรู้จักหารู้จักใช้ yeah. Yeah. ต้องรู้จักหาเงินหาทองแล้วเวลาได้เงินทองมาก็ต้องรู้จักใช้ ไม่ให้ใช้เกินตัวไม่ให้ใช้ใชเกินกําลังของเรา <Okay. S 1> ถึงแม้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มา <Okay. S 1> ก็ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์ <Okay. S 1> ถามตัวเองว่าจำเป็นไหม <Okay. S 1> ถ้าไม่ได้มาแล้วจะตายไหม <Okay. S 1> ถ้าไม่ตายก็ไม่ต้องเอาดีกว่า <Okay. S 1> เก็บกันไว้ดีกว่า <Okay. S 1> เพราะเงินนี้ช่วยเราไม่ให้ตายได้ mm hmm. เกิดเวลาอุอยากขาดแขน แต่ของที่เราซื้อมาแล้วมันจะไม่มีคุณค่าราคายกเว้นของบางอย่างเช่นทองคาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นของใช้ไม่สอยนี่ซื้อมาปั๊บนี่เอาไปเอาไปคืนร้านเขาไม่รับลรักเขาเอาแค่เอ า, า, เอาเครึ่งราคาแล้ว mm hmm. เขาหาักไปครึ่งหนึ่งนะ mm hmm. ถ้าเราใช้ไปอีกสักพักหนึ่งแทบจะขายไม่ขายไม่ได้แล้วเหตนั้น <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีความจาเป็นจริงๆอยากไปซื้อของมาดีกว่า เก็บงินเก็บทองไว้ดีกว่าหรือซื้อทองที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้เช่นทรัพย์สินต่างๆถ้าอยากจะซื้อซื้อทรัพย์สินซื้อที่ดินซื้อตึกแถวของที่สามารถที่จะมีราคาเพิ่มพูนขึ้นไปต่อไปเรียกว่าเป็นการลงทุนหรือไม่งั้นก็เอาไปฝากไว้ที่ธนาคารดีกว่าได้ดอกเบี้ยอ เป็นต้นดีกับซื้อของที่เราอยากได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็หมดความดีใจเดี๋ยวก็หมดไปแล้วความอยากจะได้ของใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาอีกถ้าไม่ได้ก็จะรู้สึกไม่มีความสุขอีกเพราะความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขหลอกเราหลอกให้เราดีใจช่วงขณะที่เราได้ ของที่เราอยากได้มาเท่านั้นเองแล้วพอไม่กี่วันผ่านไปของที่ได้มามันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเดิมแล้ว <S <S อยากจะได้ความรู้สึกแบบตอนที่ได้ของมาใหม่ๆก็ต้องไปซื้อของใหม่ก็ต้องไปคอยซื้ออยู่เรื่อยแล้วเดี๋ยวเงินทองก็ต้องหมดไปกับการซื้อของต่างๆยันเวลาจะซื้อของซื้ออะไรต้องใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์ ถามตัวเองว่าจำเป็นไหมถ้าไม่ได้ไมาแล้วจะตายไหมจะเดือดร้อนไหมถ้าไม่เดือดร้อนไม่ตายก็อยาซื้อมาดีกว่าเงินทองเก็บไว้นี่มีมีความอบอุ่นใจกว่าเพราะเวลาเกิดในความจำเป็นจริงๆเราจะได้ใช้เงินทองนี้ได้มาแก้ปัญหาต่างๆได้เราจะทำให้เรานี้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน กพราะเราจะมีเงินทองพอกินพอใช้ไปเรื่อยๆฉะนั้น mm hmm. ต้องดูกำลังของเราด้วยเวลาจะซื้อของแม้แต่ปัจจัยสี่มันก็มีหลายราคาด้วยกัน mm hmm. มีของปัจจัยสี่ที่ราคาสูงแพงก็มีพานกลางก็มี mm hmm. แบบไม่ไม่แพงก็มี mm hmm. เราก็ต้องดูฐานะของเราดูกำลังของเราว่า เรามีกำลังที่จะซื้อปัจจัยสี่แบบไหนหรือถ้าเราถึงแม้จะมีกำลังแต่เราเป็นพวกที่ไม่ต้องการจะใช้เงินมากแล้วก็ซื้อแบบของไม่แพงก็ได้เสื้อผ้ามันก็ทำหน้าที่เหมือนกันเสื้อผ้าแพงกับเสื้อผ้าไม่แพงมันก็ไว้หุ้มห่อร่างกายเท่านั้นเอง เสื้อผ้าชุดละห้าร้อยกับชุดละห้าพันมันก็ทำหน้าที่อันเดียวกันเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปเสียเงินมากมายซื้อเอาเงินเก็บไว้ไปไปซื้อของที่จะทำให้เราได้เงินทองเพิ่มขึ้นมาไม่ดีกว่าเซื้อหุ้นก็ได้หุ้นที่เขาไม่ได้หุ้นที่มีการตอบแทนดีหรือว่าไปซื้อ ทรัพย์สินเช่นที่ดินเนี่ยที่ดินนี่ก็ราคาก็มักจะขึ้นอยู่เรื่อยๆซื้อปีนี้อีกสิบปีนี้ราคาอาจจะขึ้นถึงสิบเท่าสมัยที่มาพัฒนาวัฒน์ใหม่ๆเนี่ยในหลวงท่านให้โอนที่ซื้อที่ดินสมัยนี้ราคาไล่ละสองหื่ น, น, นอย่างนี้ที่ดินแถวนี้ราคาสองสาม้านขึ้นไปละไร ฉันใช้เงินให้เกิดประโยชน์ดีกว่าอย่าใช้เงินแล้วทำให้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพียงแต่บำรุงบำเรอความรู้สึกชั่วคราวให้เรามีความรู้สึกมีความสุขมีความดีใจ <Yeah. S 1> แต่ทรัพย์สินก็ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆกับการใช้เงินแบบนี้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินที่จะมีคุณค่าราคาเพิ่มมากขึ้นวันนี้เรา ลงทุนไปสองหมืนเดี๋ยวอีกสองปีอาจจะกลายเป็นสองแสนแล้วก็ได้นี่วิธีที่จะทำให้เราไม่ไม่ต้องมีหนี้สินเพราะการมีมีหนี้สินมันก็เป็นภาระที่เราจะต้องไปชดใช้เจ้าหนี้เขาเราจะทำให้เหล่านี้ไม่มีเงินเอาไปใช้อย่างอู่นต้องอามาคอยใช้หนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราอดออมอดกั้นจิตใจเราอยากจะได้อะไรถ้าเงินยังไม่พอจะซื้อก็อยากพึ่งซื้อดีกว่าซื้อเราก็ต้องมาคอยผ่อนผ่อนส่งนอกจากว่าเป็นการลงทุนทํากิจการการค้านี้บางทีก็ต้องกู้เงินธานาคารมาลงทุนอย่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้มีโอกาสที่จะได้คืนได้มากกว่าที่เราลงทุนไปนี่แบบนี้ เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรามีหลักทรัพย์ถ้าเราไม่สามารถใช้นี่เขาได้เขาก็เอาหลักทรัพย์หลักประกันไปเท่านั้นเองอ <Yeah. S 1> ันก็ต้องรู้จักใช้เงินรู้จักหาเงิน <Yeah. S 1> เราจะทำให้เราไม่ต้องมีหนี้สิน <Yeah. S 1> แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวล <Yeah. S 1> เวลาเจอเจ้าหนี้เราจะได้ไม่ต้องคอยหลบหน้าหลบตา ถ้าเป็นหนี้นี่เดี๋ยวเจ้าหนี้มานะต้องหนีนะหนียังไงเดี๋ยวเขาก็ตามมาเจออยู่ได้แล้วก็ต้องกลายเป็นทาสของเขาบางทีก็โดนเขาว่าโดนเขาดา่าถ้ายังไม่ได้เอาเงินให้ขับเขาชีวิตก็เลยไม่มีความสุขจากการมีหนีน้นี่คือความสุขข้อที่สามของผู้คลองเรือนก็คือ การไม่มีนี่สิมและข้อที่สี่ก็คือการกระทาที่ไม่เกิดโทษคือทำอะไรอย่าไปทำผิดกฎหมายผิดศีลแล้วทำเพราะทำแล้วจะมีโทษตามมาได้ไม่คุ้มเสียแต่แม้จะไปได้เงินได้ทางมาจากการไปขโมยเงินของคนอื่นไปชอ่อกงไปหลอกลวง เดี๋ยวไม่ช้ากขเลยเขาก็จับได้จับได้ก็ต้องไปติดคุกติดตารางกันเห็นไมคนดังๆยังถูกติดคุกติดตารางกันเลยเพราะถูกจับคดีช่อช่อโกงกันเห็นทำอะไรก็อย่าไปทำผิดกฎหมายอย่าไปทำผิดศีลธรรมศีลธรรมนี้อาจจะมองไม่เห็นโทษในปัจจุบัน เพราะบังกฎหมายอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ลงโทษเช่นทำมาทำาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเป็นเพชฌฆาตอะไรทำองนี้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมทำให้จิตใจนี้โหดเหี้ยมทำให้จิตใจไร้ความเมตตาทำให้จิตใจนี้ มีความทุกข์มีความหวาดกลัวต่อการจะถูกจองเวรจองกรรมเพราะการทำบาปนี้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมนั่นเองสร้างเจ้ากรรมนเวรที่พวกเรามีเจ้ากรรมนเวรกันก็เพราะเราเคยไปทำบาปมาในอดีตจึงมีเจ้ากรรมนายเวรมาคอยจองเวรจองกรรมกับเราถ้าเราไม่ทำบาป เราก็จะได้ไม่มีเจ้ากรรมนายเวรมาจองเวรจองกรรมแล้วตายไปเราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปตกนรกนี่คือความสุขสี่ประการของผู้คลองเรือแต่ความสุขของผู้คลองเรือ น, นี้มันก็เป็นความสุขที่มันก็มีความไม่แน่นอนเที่ยงแท้แน่นอน เพราะเรื่องทรัพย์สินต่า ง, างๆเงินทองต่างๆนี้มันก็ไม่แน่นอนว่าจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหน <Yeah. S 1> บางคนก็อาจจะล้มละลายขึ้นมาก็ได้ทําหากินอาจจะล้มเหลว uh huh. ทำงานอาจจะตกงานเัง <Yeah. S 1> น, นั้นการหาความสุขด้วยการอาศัยเงินทอง uh huh. อาศัยร่างกายนี้ก็ เป็นของที่ไม่แน่นอนถ้าเกิดร่างกายเราเป็นอะไรไปเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการไปความสุขมันก็เราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้หรือต่อไปร่างกายเราก็ต้องแก่ลงไปทุกคนแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกัน <S S S S การจะหาความสุขแบบคารวะผู้ของเนือนก็จะทำไม่ได้ เห็นผู้ที่มองเห็นอนาคตของตนเองว่าต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บก็อาจจะคิดหาความสุขแบบที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องอาศัยเงินทองก็จะไปหาความสุขแบบนักบวชกันวันประชิตเนี่ยพวกนักบวชนี้เขาก็เป็นเหมือนพวกเราเขาก็เคยหาความสุขจากการเป็นคารวะผู้ครองเงินมาก่อน แล้วเขาก็เห็นความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงการขึ้นการลงของทรัพย์สินของตนการมาการไปของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับตนว่ามันคุกเข้ากันไปมีทั้งสุขมีทั้งทุกเวลาได้สิ่งที่อยากได้ก็เกิดความสุขพอสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ตามมา ก็อยากจะไม่อยากที่จะหาความสุขแบบนี้กันก็จะไปลองหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขของแบบนักบวชความสุขของนักบวชนี้เขาไม่ต้องใช้เงินทองแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงร่างกายนี้แก่ก็ยังหาความสุขได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังหาความสุขแบบ นักบวชได้คือการหาความสุขทางใจใจของเรานี่เป็นแหล่งที่เราสามารถหาความสุขได้เป็นเหมือนแหล่งบันเทิงอย่างหนึ่งเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเราไปกันพวกเราไปท่องเที่ยวเพื่อเราจะได้ไปหาความสุขกันใจเรานี้ก็เป็นเหมือนแหล่งท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงถ้าเราเข้าถึงใจ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งบันเทิงของใจได้เราก็จะได้พบกับความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเราต้องอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสินนี้เป็นผู้นําพาเราเข้าสู่แหล่งของความสุขทางใจความสุขของใจนี้อยู่ในใจของพวกเรา อยู่ที่ความสงบของใจถ้าเราสามารถทำใจของพวกเราให้สงบได้เราก็จะเข้าถึงแหล่งของความสุขของใจซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางร่างกายจะไปเที่ยวที่ไหนมากี่ประเทศก็ตามจะมีอะไรดูอะไรฟังมีอะไรกินอะไรดื่มมามากน้อยเพียงไรก็ตาม ความสุขต่างๆที่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าก็เมื่อก่อนท่านก็หาความสุขแบบพวกเราแบบคารวะผู้ครองเรือนแต่พอท่านไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายขึ้นมาก็ทําให้ท่านเริ่มมีความวิตกกังวลต่ออนาคตของท่านว่า ต่อไปเราแก่แล้วเจ็บเราจะตายนี่เราจะไปหาความสุขได้อย่างไรเอตอนนั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์แล้วก็ไปเห็นนักบวชก็ได้ทราบว่านักบวชนี้เขามีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งแบบที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องอาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆฮะเขาเขาต้องการความสงบเท่านั้น และการที่จะทำใจให้สงบเขาต้องมีสติมาคอยควบคุมใจให้หยุดคิดให้ได้แล้วเขาก็ต้องไปอยู่ในที่ที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาต้องมากังวลทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทั้งหลายนี้เขาไม่ต้องการเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบ บุคคลต่างๆครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาเขาก็ไม่ต้องการเพราะเมื่ออยู่ใกล้เขาก็จะมีความวิตกกังวลห่วงใยกันก็จะทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้พวงนักบวชจึงจำเป็นที่จะต้องไปปลีกวิเวกไปหาสถานที่ที่ห่างไกลจากบุคคลต่างๆจากเหตุการณ์ต่างๆจากทรัพย์สินสมบัติต่างๆไป จะได้ไม่มีอะไรมาคอยกังวลใจมาคอยห่วงเพราะถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องห่วงจะต้องห่วงแล้วจะทำให้ไม่สามารถไปทำใจให้สงบได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องสละราชสมบัติไปต้องหนีไปเพราะถ้าบอกให้คนรู้ก็คงจะถูกห้ามเพราะไม่มีใครเข้าใจว่าอยู่ดีๆมีทรัพย์สมบัติ มีความสุขสบายแบบพระเจ้าแผ่นดินแล้วทําไมยังจะไปหาความสุขอะไรอยู่อีกไม่มีแล้วในสายตาของคนในโลกนี้ความสุขของพระเจ้าแผ่นดินนี่สุดยอดแล้วแต่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะนั้นท่านเป็นคนฉลาดท่านมองการไกลท่านมองอนาคตท่านไม่ได้มองแต่สภาพปัจจุบันตอนนี้จริงอยู่ท่านแข็งแรงท่านมีความสุขกับสิ่งต่างๆได้ แต่ต่อไปร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยตอนนั้นจะหาความสุขได้อย่างไรท่านก็เลยต้องเลือกทางใหม่ทางของนักบวชไปไปบวชแล้วก็ไปศึกษาวิธีทำใจให้สงบจากอาจารย์ต่างๆในยุคนั้นซึ่งในที่สุดก็ได้พบกับความสุขในระดับแรก ความสงบในระดับแรกคือความสงบแบบชั่วคราวที่เรียกว่าสมาธิเวลาถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเรานี้ให้หยุดคิดได้เช่นบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนตไปภายในใจเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ถ้าจะให้ดีต้องไปอยู่ไกลๆจากคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ด้วย พราะถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวเห็นหน้ากันก็อดคิดไม่ได้อดคุยกันไม่ได้แต่ถ้าไปอยู่คนเดียวได้นี่มันก็จะไม่มีอะไรให้มาคิดมากังวลถึงแม้จะคิดเราก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นภายนอกมันคิดอยู่ภายในใจของมันตามนิสัยของมันเราก็ใช้สติเช่นพุโทโธพุโทโธนี้คอยหยุดมันคอยเบรกมันถ้าเราไม่เกียดค้านถ้าเรามีความขยัน มีความเพียรพยายามหมั่นพุโทโธพุธโทโธหมั่นสวดมนไปภายในใจอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ไม่ใช่เฉพาะเวลาเช้าเย็นเท่านั้นอันนี้หมายถึงทําทั้งวันเลยทำทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยถ้าอยากจะให้ใจนี้หยุดคิดให้ได้นี้ต้องขยันพุโทโธขยันสวดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสวดทุกทุกเวลานาทีสวดเวลาที่มันคิด เวลามันไม่คิดเราก็ไม่ต้องสวดก็ได้พอมันจะคิดใหม่เราก็สวดด้วยใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมันพอเรามีความสามารถที่จะควบคุมความคิดได้เราก็ไปนั่งสมาธิต่อเริ่มต้นต้องฝึกสติควบคุมความคิดด้วยพุโทโธด้วยการสวดไปก่อนพอเราควบคุมได้แล้วทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบ ให้มันเกิดสมาธิขึ้นมาให้เกิดความสุขขึ้นมาเราก็ต้องนั่งเฉยๆเพราะถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายอยู่ใจก็ยังทำงานอยู่เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเองถ้าต้องการให้ใจหยุดทำงานก็ต้องหยุดทำงานทางร่างกายต้องให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆหรือนอนก็ได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย นอนก็ได้แต่เพียงแต่ว่านอนนี่มันจะทำให้หลับง่ายแทนที่จะได้สมาธิมันกลับจะหลับไปหลับก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่ากับการได้สมาธิหลับก็ได้พักผ่อนชั่วคราวแต่ถ้าได้สมาธินี้จะดีกว่าเพราะต่อไปเราจะได้ใช้สมาธินี้ให้ความสุขกับเรา โดยไม่ต้องนั่งก็ได้ต่อไปถ้าเราชำนาญการเข้าสมาธิได้บางทีเรายืนก็ได้เราทำอะไรอยู่เราก็สามารถเข้าสมาธิได้ด้วยการหยุดคิดแต่เบื้องต้นเราต้องนั่งเฉยๆก่อนเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่อยากสงบได้ก็ต้องมีสติก่อนเห็นต้องหัดสร้างสติหัดเจริญพุทโธพุทโธ หรือคอยสวดมนต์ไปภายในใจทีิพิโสเวลาคิดมากพิดฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็พุโทโธพุโทโธไปสวดไปหรือจะใช้การดูการทำงานของร่างกายก็ได้ร่างกายทำอะไรก็เฝ้าไปกับร่างกายทำไปกับร่างกายใจอย่าไปทำอย่างหนึ่งร่างกายทำอีกอย่าง ส่วนใหญ่เราจะทำคนละอย่างกันทำอาบน้ำแต่ใจเรากาลังคิดถึงงานที่ทำอยู่ที่ที่ทำงานก็ได้อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทำร่วมกันใจต้องทำร่วมกับร่างกายเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองนี่คือการฝึกสติในเบื้องต้นก่อนพอฝึกสติได้พอเราต้องการให้จิตสงบนิ่งจริงๆเราก็นั่งหลับตา แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่างใดอย่างหนึง่งไม่ต้องรวมกันก็ได้หรือจะรวมกันก็ได้บางท่านก็ดูลมเข้าเพราะว่าพุทดูลมออกก็ว่าโทก็ได้มีอยู่สามวิธีพุทโธเฉยๆไม่ต้องดูลมเลยก็ได้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธหรือดูลมโดยไม่ต้องพุทโธก็ได้ ดูลมก็ดูที่ปลายจมูกอย่าตามลมเข้าลมออกอยู่จุดเดียวถ้าตามเข้าตามออกจิตมันก็จะไม่นิ่งจิตมันก็ยังแกว่งไปแกว่งมาแกว่งเข้าแกว่งออกอยู่ต้องให้อยู่จุดเดียวหรือถ้าบริกรรมก็บริกรรมพุทโธพุทโธคำเดียวแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้แล้วจะพบกับความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่เราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปตามพัตาคารหรือสถานบันเทิงต่างๆสู่ความสุขที่ได้จากความสงบไปได้ <Okay. S 1> ถ้าเราสามารถเข้าสู่ความความสุขแบบนี้ได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องมีเงินทองก็ได้ <Okay. S 1> ไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้ <Okay. S 1> เพื่อที่จะไปหาความสุขต่างๆ ไม่ต้องใช้ร่างกายที่แข็งแรงก็ได้ร่างกายแก่หรือร่างกายเจ็บเราก็ยังสามารถเข้าถึงความสุขของใจได้อยู่ถ้าเรามีถ้าเราได้ฝึกได้ซ้อมเมาไว้จนติดเป็นนิสัยไปต้องการความสงบเมื่อไหร่ก็เพียงกำหนดสติพุโทโธสองสามคดูลมสองสามพักเดียวจิตก็นิ่งจิตก็สงบได้ทันที แล้วก็เกิดความสุขเกิดความสบายใจขึ้นมาไม่ต้องไปนู่นมานี่กันให้เหนื่อยยากเปล่ า, าอันนี้ก็เป็นความสุขของนักบวชซึ่งมีแบ่งไว้เป็นสองขั้นด้วยกันขั้นแรกรีก่ก็สมาธิเป็นความสุขแบบชั่วคราวได้ความสุขชั่วขณะที่เข้าไปในสมาธิ กอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความสุขที่ได้ก็จะหายไปเพราะใจเริ่มคิดแล้วก็เริ่มเกิดความอยากต่างๆตามมาใหม่เพราะความอยากหาความสุขแบบเดิมนี้ยังไม่ได้ถูกกําจัดไปด้วยการเข้าสมาธิเป็นการถูกประงับไว้ชั่วคราวเพราะเวลาเข้าสมาธิก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆสถานที่ต่างๆ ก็เลยไม่มีความคิดที่อยากจะไปหาความสุขจากสถานที่ต่างๆแต่พอออกจากสมาธิมาใจก็จะเริ่มคิดตอบพอคิดถึงสถานที่นั้นและคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากจะไปที่นั่นอยากจะไปที่นี่อยากจะไปพบคนนั้นพบคนนี้อยากจะไปดูอยากจะไปฟัง อยากจะไปลิ่มรถ ด, ดมกลิ่นอะไรต่างๆตามมาพอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบมันก็จะหายไปเพราะความสงบมันจะถูกทําลายด้วยความอยากนี่ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่จะมาทำให้ ความสงบที่ได้จากสมาธินี้หายไปแล้วจะกลายเป็นความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาต่อไปอย่างนั้นถ้าต้องการไม่ให้ใจวุ่นวายไม่ให้ใจหายจากความสงบหลังจากออกสมาธิมาเราก็ต้องมาเจริญวิปัสสนาคือมาใช้ปัญญามาคอยสกัดความอยากต่างๆ ความอยากนี้เราสามารถหยุดมันได้ด้วยปัญญาถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์แต่ตอนนี้เรามักจะเห็นกับตาลปัดกันเพราะความหลงมันมันหลอกเราให้คิดว่าได้สิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขกันเพราะว่าเรามองเพียงมิติเดียวเรามองเพียงด้านเดียวมองตอนที่เราได้มาใหม่ๆ ของอะไรที่ได้มาใหม่ๆมันมักจะดีมันจะสมบูรณ์แต่ถ้าเราใช้ไปใช้ไปอยู่กับมันไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนนะจากใหม่กลายเป็นเก่าใช่ไหมจากดีกลายเป็นเสียแล้วทีนี้ความสุขที่เคยได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมนาะพอของเสียนี่เป็นสุขไหมพอลถเสียแนละ้วเป็นสุขไหมพอลถเสียทีนี้ก็ทุกข์แลสิต้องไปเอารถไปซ่อมนะ ต้องเสียเงินเสียทองเสียเสียเวลานี่คือความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆของที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันจะต้องมีการเสื่อมโทรมลงไปมีการสิ้นสุดลงบางของบางอย่างบางทีได้มาไม่กี่วันหายไปก็มีพอหายไปก็เกิดความเสียใจขึ้นมา สมมติเพิ่งไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่เดี๋ยวลืมไว้ห้องน้ําที่ไหนปั๊บหนึ่งเอากลับไปหาหายไปแล้ว <Yeah. S 1> ความสุขที่ได้จากการได้มือถือใหม่ๆก็หายไปแล้วนี่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาทุกข์จะต้องเสียเงินเสียทองซื้อเครื่องใหม่ครับ <Yeah. S 1> นี่ต้องมองให้เห็นอนิจจัง <Yeah. S 1> เห็นทุกขงัง <Yeah. S 1> ทุกขังเกิดจากอนิจจัง <Yeah. S 1> ของที่เราได้มามันเป็นอนิจจัง yeah. ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมีวันจากเราไป <Yeah. S 1> ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายให้คิดอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆเย <Yeah. S 1> บางคนก็เวลาได้ลูกมาก็ดีอกดีใจกัน <Yeah. S 1> แล้วพอลูกจากไปก็เศร้าโศกเสียใจกัน yeah. มันก่อนก็มีญาติโยมท่านหนึ่งก็มาร้องหม o ร้องไห้เกี่ยวกับเรื่องลูกนะลูกไม่ยอมอยู่ด้วยลูกหนีไปอยู่ที่อืน่นนี้ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเวลาได้ลูกก็ดี อ, อกดีใจกันแต่เราไม่รู้ว่าเขาไม่เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเขาจะอยู่กับเราดาวสักแค่ไหนเราก็ไม่รู้จะจากเราไปแบบไหนเราก็ไม่รู้จะจากไปแบบไม่กลับเลย หรือว่าจากไปแล้วยังอาจจะกลับมาอยู่ก็ไม่มีใครรู้ได้นเพราะของทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ไม่แน่นอนไม่ถาวรพยายามมองทุกอย่างให้เห็นว่ามันไม่แน่นอนไม่ถาวรนั่นมันจะทําให้เราไม่อยากจะได้อะไรเพราะได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันต้องทุกข์เวลาไม่มีก็ไม่ไม่ทุกข์ คนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาก็ไม่ต้องทุกข์กับสามีไม่ต้องทุกข์กับภรรยาคนที่ไม่มีลูกเขาก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกแต่คนที่มีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาเพราะต้องห่วงบ้างแ่ะต้องห่วงบ้างแหะแล้วเดี๋ยวเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องทุกข์ไปกับเขาแล้วแต่ถ้าไม่มีอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะทุกข์ด้วย นี่คือการใช้ปัญญาเพื่อมาสกัดกั้นความอยากต่างๆพออยากได้อะไรบอกเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะไม่เที่ยงนะทุกข์เพราะเราไปสั่งให้เขาเที่ยงไม่ได้นะสั่งให้เขาดีสั่งให้เขาอยู่กับเราสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ แมว้วานนี้ฝนจะตกจะไปห้ามไม่ให้มันตกก็ไม่ได้ฝนมันจะตกแต่เราไม่ค่อยทุกขกับดินฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่าเราไปไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้แต่กับสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้เรามักจะคิดว่าเราสั่งได้ควบคุมได้สั่งสามีได้สั่งภรรยาได้สั่งลูกได้พอถึงเวลาสั่งไม่ได้ขึ้นมาก็เศร้าโศกเสียใจน <Yeah. Yeah. S 2> ี่คือ อา น, นิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเสมอไปจึงทาให้เกิดทุกข์ขังขึ้นมาให้เห็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กล้าอยากได้อะไรอยู่คนเดียวอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวถ้าไม่มีความอยากแล้วความสงบ ก, ก็จะกลับคืนมาทันทีโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิ ถ้ายังไม่มีปัญญาถ้าต้องการความสงบ ก, ก็ต้องใช้ใช้สติดึงจิตกลับเข้าไปในสมาธิแต่ถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิจิตกําลังทุกข์กาลังเครียดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใช้ปัญญาสอนใจได้ให้เห็นว่ า, าทุกข์เพราะความอยากอยากได้สิ่งที่เป็นอนิจจังอยากให้เป็นนิจจังสิ่งที่เป็นอนัตตาให้เป็นอัตตาพอสั่งไม่ได้ก็ทุกข์ พอหยุดสั่งปั๊บพอเลิกอยากปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปอย่างญาติโยมที่เสียลูกไปไม่ได้เสียตายหรอกเขาจากไปเขาไม่อยากไม่อยู่ด้วยเพียงถ้าเขาคิดว่ามันลูกเป็นอนัตตาก็าหมดปัญหาไปเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปสั่งลูกให้กลับมาไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราไม่ได้เขาจะไปก็ต้องปล่อยเขาไปพอปล่อยได้ปั๊บความเสียใจความทุกข์ใจก็จะหายไป พรยอมรับความจริงว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับของเราเสมอไปถึงเวลาเขาจะไปก็ไปถึงเวลาเขาจะมาก็มาเช่นโรคภัยไข้เจ็บนี้ไม่อยากให้มันมามันก็มาเห็นไหมถึงเวลามันอยากจะมาก็มาเราจะไปห้ามมันก็ไม่ได้มันก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศถึงเวลาฝนมันจะตกมันก็ตกแต่ใจเราจะไม่ต้องทุกข์กับมันถ้าเราเฉยเฉยเสีย มันมาก็ปล่อยมันมามันไปก็ปล่อยมันไปเท่านั้นเองเราก็จะอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์ใจความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากนี่อยากได้นู่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนีนอนอ่อยากดูนั่นอยากฟังนี่เท่นั้นเองถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้ด้วยการทำใจให้สงบด้วยการทำใจให้มีความสุขพอใจมีความสุขแล้วก็จะเห็นว่าความสุข ที่ได้จากความสงบนี้มันดีกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยอยากได้กันลูกเสียงกินรดสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้การเป็นอะไรก็ตามก็สู้ความสงบไม่ได้ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้ต่อไปใจของเราก็จะสงบมีความสุขไปตลอด <Yeah. S 1> ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ หาความสุขเพราะมีความสุขในใจใจมีสติมีปัญญารักษาใจให้อยู่ในความสงบตลอดเวลานี่คือความสุขระดับที่สองของของมนุษย์ยที่พวกที่เกิดมานี้เบื้องต้นก็จะหาความสุขระดับแรกก่อนคือหาความสุข จากการมีเงินจากการใช้เงินก่อนแล้วต่อไปพอเห็นว่ามันไม่สุขร้อเซ์มันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ก็อยากจะหาความสุขแบบที่แน่นอนที่ร้อยเอร์ซก็ต้องมาหาความสุขแบบนักบวชกันต่อไปเบื้องต้นอาจจะไปหัดอยู่วัดในวันพระก่อนอาทิตย์ละวันก่อนไปซ้อมดูก่อนไปทดลองดูก่อน ว่าเป็นอย่างไรความสุขแบบนักบวชนี่พอทดลองได้สัมผัสแล้วเห็นว่าดีก็อาจจอยากจะอยู่ไปนานๆหรือต่อไปก็อยากจะเป็นนักบวชเลยก็ได้พอไม่มีความสุขอะไรที่แท้จริงที่จะแท้จริงเหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบได้ความสุขแบบนี้เราจะอยู่กับใจเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไปต่อไป ใจของเราจะอยู่กับความสงบไปตลอดลยใจของพระพุทธเจ้าถึงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับความสงบอยู่อยู่กับนิพพานเนี่ยนิพพานก็คือความสงบของใจใจที่ปราศจากความอยากนี่เป็นใจที่สงบตลอดเวลาแล้ว <Yeah. S 1> ละจะไม่มีวันสิ้นสุดจึงทําให้ใจแบบนี้ไม่ต้องกลับมาเกิอดอีกต่อไปไม่ต้องมามีร่างกาย เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปนี่คือเรื่องของความสุขของพวกเราที่เอามาฝากกันในวันนี้คือความสุขแบบคารวะและความสุขแบบบรรพชิตเทอแบบนักบวชก็ขอให้ท่านจงนำเราไปพิจารณาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 ภราสุยะทัสสะพิธิโยวิวัจจันโตสะพารุโควิดัสสตตมาเตภวตวันตาาโยสุขีธีขายยโกภวะอภพิวะธนสีริสะนิจจังวุธาปจายีโนจตารุธรมมวะทานติ อายุวะโนสุขังภาลาาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ เฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาตโต409เฟซบุ๊กพอจอ์สุชาติ59ยอดรวมเฟซบุ๊ก468 YouTube 226วิทุออนไลน์14 z o ู m 6ผู้รับฟังหน้ากุฏิ80รวม794ค่ะคำ mm hmm. ถามแรกค่ะจากคุณโลเวลสอบถามพระอาจารย์ครับถ้าเราบรรลุพระอาหารหันต์แล้ว ถึงพระนิพพานจะมีทางเบื่อพระนิพพานไหมครับไงนะถ้าเราบรรลุพระอรหันต์แล้ว<ง>ถึงพระนิพพานจะมีทางเบื่อพระนิพพานไหมครับไม่เบื่อแล้วไม่มีวันเบื่อคําถามจากคุณมานพค่ะลักษณะของวิญญาณขันในขันห้าแตกต่างจากดวงจิตหรือจิตใจดวงวิญญาณเวลาสิ้นลมหายใจเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ ดวงวิญญาณก็เป็นจิตใจที่มีขันห้าขันสี่คือนมามขันอยู่ในนั้นน <Yeah. S 1> แต่ว่าเราบางทีจิตใจเวลาไม่ได้อยู่กับร่างกายเราก็ไปเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณ <Yeah. S 1> แต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงวิญญาณที่อยู่ในขันส <Yeah. S 1> ี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้อยู่ในดวงจิตดวงใจที่หนึงที่เราไปเรียกว่าดวงวิญญาณ yeah. วิญญาณนี้มีสองความหมายหมายถึงดวงจิตดวงใจหรือหมายถึงวิญญาณที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกนิ้ไกายอันนี้เรียกวิญญาณในขันห้าและขันสี่นามขันค่นคุณคำถามจากคุณนุกเพชรรัตค่ะการฟังธรรมอย่างเดียวไม่มีเวลาทำสมาธิเลยจะสามารถบรรลุได้ไหม หรือต้องทำคู่กันไปคือตอนนี้ชีวิตยุ่งมากๆเนยจากงานและลูกเล็กพยายามฟังธรรมตลอดเวลาแต่หยุดทำกรรมฐานไปเกือบเดือนรู้สึกไม่สบายใจค่ะแต่ทำบุญทำทานฟังธรรมอยู่เกือบทุกวันขอพระอาจารย์แนะนำให้มีจิตตั้งมั่นและทางปฏิบัติถูกค่ะคือพูดตามหลักธรรมมันก็ต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาไม่งั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาสอนศีลสมาธิปัญญา And, ทุกคนที่จะบรรลุธรรมได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะถ้าเราทำงานอยู่กับพ่อแม่พี่น้องทำงานแบบกรงสีมานานจนลูกเริ่มโตและเริ่มเบื่อกับปัญหาในการอยู่แบบหลายครอบครัวถ้าเราจะออกไปทำงานส่วนตัวของเราเองบ้างจะบาปไหมเจ้าคะเพราะทุกคนยังอยากให้เราอยู่ด้วยอยู่ช่วยเป็นการเห็นแก่ตัวไหมคะเราก็ไม่ได้ทิ้งพ่อแม่นะคะ ก็ยังจะไปมาหาสูอยู่เจ้าค่ะก็ไม่บาปหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาเงินของครอบครัวของส่วนรวมไปใช้เป็นของส่วนตัวถ้าเรามีเงินส่วนตัวของเราแล้วเราจะไปทำมาหากินลงทุนของเราเองอันนี้ก็ไม่บาปอะไรเพีแต่ว่าอาจจะไม่สามัคคีกันครอบครัวนี้มีความปึกแผ่น อยู่นเนี่ขาพมีสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวมีความรักความสามัคคีกันแต่เมื่อความเกิดความแตกแยกกันมันก็อาจจะนาไปสู่ความเสื่อมของครอบครัวได้เนีแล้วเราก็ต้องมองดูว่าประโยชน์อันไหนสำคัญกว่ากัน อ, องค์กรของครอบครัวกับกับตัวเราเองอันไหนสำคัญกว่าก็อันนี้ต้องเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจเอาเองแต่ละคนอาจจะมอง ไม่เห็นไม่เหมือนกันแต่ไม่บาปเพียงแต่ว่าเป็นการแตกแยกออกไปซึ่งบางครั้งอาจจะจําเป็นก็ได้มันต้องแตกกระแหงออกไปเพราะว่าองค์กรมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแนละ้วอยู่ด้วยกันมันอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่ในองค์กรได้อันนี้ก็ต้องดูหลายหลายหลายปัจจัยด้วยกันครับท่านต้องคิดให้รอบครอบ ถ้าไปแล้วไม่ทำให้องค์กรเขาเสื่อมลงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยถ้าไปแล้วทำให้เขาเสื่อมลงเลิกก็อาจจะเป็นเหตุเพราะเราไปนี่มันก็เราอาจจะต้องพิจารณาใหม่ก็ได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถ้าเราเคยผิดกับคู่ครองของเราแล้วในปัจจุบันเราเลิกกระทำการนั้นไปแล้วเรายังจะได้รับโทษลงไปอบายไหมจ้าค่ะ คือบาปที่เราทำนี่มันก็มีคะแนนเหมือนกับบุญที่เราทำเอ็นเราทากี่ข้อมันก็ได้คะแนนกี่ข้อไปแล้วมันก็มีส่วนที่จะส่งให้เราไปอาบายได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำอีกส่วนหนึ่งด้วยถ้าเราทำบุญมากกว่า บาปที่เราทําไว้บาปที่เราทําไว้ก็ยังไม่มีกําลังที่จะส่งผลเพราะบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะส่งผลไปก่อนจนกว่าวันใดวันหนึ่งบุญนี้น้อยกว่าบาปกําลังน้อยกว่าบาปเวลานั้นบาปถึงจะส่งผลต่อไปได้คําถามหายไปค<อ>นะําถามจากคุณไบร์ค่ะถือสินห้าดื่มเบียร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์ได้ไหมเจ้าคะ ไม่รู้เป็นยังไงเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์แล้ไม่เรียกเบียร์ได้ยไงก็เป็นน้ำน้ำน้ําโซดานี่เองเลยแล้วมีกลิ่นเบียร์แต่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มึนเมาก็ก็ถือว่าดื่มได้คือห้ามห้ามดื่มของมึนเมาทั้งหลายถ้าดื่มแลําไม่มึนเมาเพราะสิ่งที่ทําให้มึนเมาก็คือแอลกอฮอล์ถ้าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มึนเมาก็ดื่มได้ไม่ผิดศีลห้า คำถามจากคุณอัจชราค่ะถ้าเราจะหาของใช้ที่ทําจากหนังสัตว์เป็นการผิดศีลข้อหึ่ไหมเจ้าคะถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เองนี่ไม่ผิดศีลศีลนี้อยู่ที่การฆ่าการใช้ใช้สิ่งของที่ทํามาจากตัวสัตว์หรือแม้รับประทานเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วที่ไม่ได้เกิดจากการฆ่าของเรานี้ก็ไม่บาปเช่นไปซื้อซื้อสัตว์ที่ตายแล้วในตลาด ซื้อปลาซื้อหมูซื้อไก่อะไรที่ตายแล้วเข้าข้ามมาแล้วโดยที่เราไม่มีส่วนร่วมด้วยเราไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บอกเขาไว้ล่วงหน้าถ้าบอกเขาล่วงหน้านี้ยังถือว่าผิดอยู่เช่นไปสั่งว่าพรุ่งนี้จะเอาไก่สองตัว <Yeah. S 1> เขาก็ต้องไปฆ่ามาให้เราสองตัวแต่ <Yeah. S 1> ถ้าเราไม่สั่งแล้วเราไปที่ตลาดแล้วไปดูมีไก่เหลือไหมถ้ามีเราก็ซื้อถ้าไม่มีเราก็ไม่ซื้ออย่างนี้ไม่บาป จากผู้มีประสงค์ออกนามค่ะญาติผู้ใกล้ชิดมีความตระหนี่มากไม่ทําทานจะมีอุบายอย่างไรให้เขาทําทานได้ครับก็เราทําทานเป็นตัวอย่างเขาดูเลยเอาชนะคตนตระหนี่ด้วยการทําทานเดี๋ยวทําบ่อยๆเดี๋ยวเขาเอาจจะอิจฉาเราก็ได้เห็นเราทําบ่อยแลยย้วกันเดี๋ยวอยาจอยากจะทําตามเราก็ได้คําถามจากอินบอกค่ะการปฏิบัติแบบปัญญานําสมาธิ การคิดเรื่องธรรมะผมผลและฟันหนังคือการลดนิวรธรรมให้น้อยลงจนจิตเป็นฌานจะเกิดวิปาาัสนาญาณใช่ไหมครับถ้าได้สมาธิมันไม่มีวิปาาัสนาญาณถ้าวิปสมาธิมันก็เป็นสมาธิวิปัสนาก็เป็นวิปัสนาทีนี้การใช้อาการสารสองนี้มันได้ทั้งสองอย่าง ได้ทั้งสมาธิและได้ทั้งวิปัสสนาด้วยเพราะเห็นความจริงของร่างกายซึ่งปกติเราจะมองไม่เห็นกันเราจะเห็นแต่เพียงส่วนที่อยู่ภายนอกคือสิ่งที่อยู่ใต้ผิวหนังนี่เรามองไม่เห็นแต่ถ้าเราจเจริญวิปัสสนาเช่นนึกภาพถึงส่วนของอวัยวะต่างๆที่อยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อที่หุ้มหอกกระดูกนี่แล้วก็ดูอวัยวะ เช่นปอดไตตับลำไส้สมองมันก็จะทำให้เรามีความเห็นความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นความรู้เหล่านี้เราเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณเพราะจะช่วยกาจัดกิเลสความหลงของเราที่ไปหลงคิดว่าร่างกายของพวกเรานี้สวยงามสวยงามเพราะเราไม่ได้เห็นส่วนที่ไม่สวยงาม เพราะส่วนที่ไม่สวยงามนี่ถูกปกปิดเอาไว้ด้วยผิวหนังนี่เองแต่ถ้าผิวหนังนี่เป็นใสเหมือนถุงพลาสติกคิดดูนะเวลาเราใส่ของเข้าไปในถุงพลาสติกนี่เราจะเห็นว่าอ๋อมีอะไรอยู่ในถุงนะถ้าร่างกายเราผิวหนังเราใสเหมือนถุงพลาสติกนี่ก็เราก็จะเห็นโครงกระดูกของเราเราก็จะเห็นปอดเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ต่าง ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆของเรา อันนี้จะเห็นได้โดยการหมั่นเจริญเราลึกถึงอาการต่างๆเหล่านี้เราลึกถึงแล้วก็นึกถึงภาพตามไปด้วยปอดอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงไหนมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเบื้องต้นถ้าไม่ไม่รู้ก็ไปเปิดหนังสือดูสมัยนี้เขามีหนังสือทั้งภาพถ่ายทั้งภาพเขียนของอวัยวะต่างๆให้เราได้เห็นได้ชมได้แล้วเราก็เอามานึกมาคิดอยู่เรื่อยๆให้มันอยู่ฝังอยู่ในใจของเรา ต่อไปเวลาเราเห็นร่างกายของใครเราก็จะได้เห็นทั้งส่วนที่เรามองไม่เห็นด้วยสายตาแต่มองเห็นได้ด้วยปัญญาแล้วเราก็จะได้มีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมาคำถามจากอินบ็อกค่ะบางครั้งเห็นว่าจิตกับร่างกายแยกออกจากกันแล้วตอนนั้นคุณทำอย่างไรต่อคะก็ให้รู้ตามความเป็นจริงต่งเองแล้วก็ให้ให้ปล่อยวางร่างกาย ให้จิตเป็นผู้รู้ถักจัว่รู้ร่างกายเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับมันเพราะร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่จิตจิตไม่ต้องไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับร่างกายแต่ถ้ายัางดูแลรักษาได้ก็ดูแลไปตามอัตภาพแต่พอถึงเวลาที่ดูแลไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปคำถามจากพี่ตุม้มค่ะ ทำไมาอาณาปานาสติจึงจัดว่าเป็นมหาทานครับมหาทานเนี่ยไม่ทราบไปได้ยินมาจากที่ไหนไม่เคยได้ยินว่าเป็นมหาทานเลยคาถามจากคุณกุลศิริเคยได้ยินตายายท่านบอกว่าเวลาใส่บาตรพระให้นําแต่อาหารที่ดีๆใส่บาตรทั้งน้ําอาหารผลไม้ เวลาเราตายไปสิ่งเหล่านี้ที่เราใส่บาทไว้เราจะได้กินหลังจากที่เราตายไปท่านสอนแบบนี้ถูกต้องไหมครับคือการให้สิ่งดีๆกับผู้นี้มันก็เป็นเหมือนการาการเอาของไปฝากไว้แล้วเดี๋ยวพอเรามาเอาคืนเราก็จะได้ของดีๆคืนถ้าเราของไม่ดีไปฝากเขาไว้เดี๋ยวเวลาเราไปเอาของคืนมาเราก็จะได้ของไม่ดี เพราะบุญนี้เป็นเหมือนธนาคารธนาคารบุญทำบุญนี้ก็เอาของไปฝากไว้ธนาคารพอเรากลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าเราก็มาเบิกเบิกของที่เราฝากไว้ถ้าเราให้ของดีเราก็จะได้ของดีกลับคืนมาถ้าเราให้ของไม่ดีเราก็จะได้ของไม่ดีกลับคืนมาคำถามจากพี่ตุ้งค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ครับกระผมขออนุญาต นำเอาคําว่าธรรมะบนเขาชื่อของวัดและชื่อพระอาจารย์ไปสกรีนบนเสื้อกีฬาได้ไหมครับเพราะกระผมประทับใจและชอบใจในคําสั่งคําสอนของพระอาจารย์มากครับขอพระอาจารย์เมตตาครับก็ไม่ได้สังวนวกระสิทธิ์อะไรเพี่งแต่ว่าอย่าไปทําเป็นพาณิชย์ก็แล้วกันอย่าไปทําเป็นการค้าขายถ้ า, าทําเป็นธรรมทานเอาไปแจกไ ม, ไม่ไม่ไม่ขัดข้องแต่ถ้าทําเป็นธุรกิจนี้ อันนี้ก็คงจะไม่ไม่ไม่เหมาะสมที่ศาสนานี้สอนให้มีให้โดยไม่มีผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามควรจะให้เพื่อเป็นการทําบุญทําทานแในเมื่อสอนให้ผู้อื่นเขาทำบุญทําทานแล้วตัววัดตัวศาสนาเองกลับไปเก็บเงินเก็บทองนี่มันมไม่ขายหน้าเขาเลยใช่ไหมเวลาญาติโยมสอนสอนญาติโยมว่าโยมทําบุญนะ ทำบุญได้บุญในเวลาพระทํากับไม่ทําเหมือนกับขายขายโน่นขายนี่ขายเต็มไปหมดเลยอันนี้มันก็เหมือนแม่ปูสอนลูกปูนะสอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวแม่ก็เดินเฉไปเฉมาตอนนี้ไม่มีคําถามเ ข, ข้ามาคระอาจารหมดแล้วเ <c> ช <oughs> <c oughs> ่นการศาสนาสอนให้เราเห็นว่าอ เรื่องทรัพย์สมบัติเช้าของเงินทองต่างๆนี้มันมีประโยชน์เพียงนิดเดียวเท่านั้นแะมันมีประโยชน์ในการรับใช้ร่างกายเราเลี้ยงดูร่างกายให้เราอยู่เป็นปกติสุขไม่อดอยากขาดแคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองนอกเหนือจากนั้นแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราเพราะว่ามันจะถ้าไปใช้กับกิเลสมันก็กิเลสก็จะมาเผาเรา เพะกิเลนนี่เป็นเหมือนเชื้อไฟในใจเราพอเราไปใช้กับความอยากอยากได้นู่นอยากมีนี่พอได้มาแล้วมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาแล้วพอได้มาแล้วพอมันหมดไปก็อยากจะได้ใหม่แล้วถ้าไม่ได้ใหม่ก็ทุกข์อีกเ น, <Okay. S 1> นี่ยมันงถ้าสมบัติเข้าของเงินทองจึงไม่มีประโยชน์มากกับ เราเท่าไหร่มีเพียงแต่ร่างกายประโยชน์กับร่างกายเท่านั้นกับเรากับจิตใจของเรานี้ต้องให้ถึงจะเกิดประโยชน์ต้องให้ต้องแบ่งปันต้องเสียสละล้วจะทำให้เรามีความสุขสังเกต ด, ดูเวลาเราได้แบ่งปันเข้าของเงินทองให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราให้ขเขาแล้วเราจะเกิดมีความรู้สึกสุขใจขึ้นมาโดย โดยไม่รู้สึกตัวเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมเราเกิดความสุขใจขึ้นมาได้ทั้งๆ ท, ที่เราเสียข้าวของเงินทองไปแล้วเป็นความสุขใจที่ต่างจากการได้ข้าวของเงินทองมาดรืยซ้ำไปการได้ข้าวของเงินทองนี้เป็นความได้แบบขิวได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มพอไม่ได้เพิ่มก็รู้สึกขาดอะไรไปนะแต่การให้ความสุขที่ได้จากการให้นี้มันเป็นความสุขที่จะทาให้อิ่ม ทำให้พอต่ทำให้ไม่อยากได้อะไรจากใครงั้นทำไปมีอะไรมากน้อยทำไปคิดว่าเป็นการลงทุนเป็นการเอาเงินเอาของดีไปฝากไว้ในธนาคารถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าเราจะได้มีของดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่มีอะไรไปไปฝากไปเลยเราจะไม่มีอะไรไว้รองรับเราเวลาเรากลับมาเกิดใหม่ การทำบุญนี้ไม่เป็นการสูญเสียเป็นการลงทุนหรือเป็นการแลกเปลี่ยนเงนินเงินตราเหมือนเวลาเราจะไปต่างประเทศเราก็ต้องเอาเงินบาทไปแลกกับเงินสกุลอื่นเพราะพอไปอยู่ประเทศอื่นจะไปใช้เงินบาทตามท้องถนนก็ใช้ไม่ได้ต้องไปแลกที่ธนาคารก่อนเหตั<ม>้นถ้าเราแลากไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แลกเงิน อันนี้ก็เหมือนกันทรัพย์ภายนอกนี้เงินทองนี้เป็นทรัพย์ภายนอกที่เวลาเราเอาไปทำบุญนี้เหมือนกับเราไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในเปือทรัพย์ของใจที่ใจเอาติดตัวไปได้เวลาออกเดินทางจากโลกนี้ไปเวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไปท่องอยู่ในโลกทิพย์ต่อไปถ้าใจมีบุญติดตัวไปไม่มีบาปใจก็จะไปท่องในสวรรค์ ถ้าใจไม่มีบุญมีบาปดึงไปก็จะไปเท่องในอบายเห็นถ้าเราทําบุญไว้มากถึงแม้ว่าเราอาจจะพังเผอทําบาปมากก็ตามบาปนั้นก็อาจจะยังไม่มีกําลังที่จะส่งผลได้เพราะถ้าเราทําบุญไว้มากกว่าบุญก็จะเป็นผู้นาพาจิตใจไปก่อนเห็นพยายามทําบุญไปพยายามนึกความถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วความความโลภความหัวเงินหรือความตระหนี่มันจะน้อยลง เพาะเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วแล้วถ้าตายไปปั๊บนี่เงินทองที่เรามีมากน้อยนี้ไม่เป็นประโยชน์กับเราเลยตายอาอาจจะเป็นประโยชน์กับศัตรตูของเราเสียได้ซ้ําไปพวกทีเขาตั้งรออยู่นัรอคิวอยู่ตายเมื่อไหร่กูก็ได้คว้าสมบัติมึงเนั้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ศัตรตูเราได้ทรัพย์สมบัติเราก็เอาไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในให้หมดเลยเก็บไว้พอพอเท่าที่จําเป็นเท่านั้น ส่วนที่เหลือก็เอาไปทําบุญให้หมดแล้วใจจะมีความฉขมากทั้งขณะที่อยู่และขณะที่ไปคําถามจากผู้ไม่ไประสงค์ออกนามค่ะจะปฏิบัติอย่างไรให้รู้เห็นตามความจริงค่ะก็ต้องเปิดตาในนะอนนี้ตานายเราปิดอยู่ตาในของเราถูกปิดด้วยโมหะอาวิชชาความหลงความไม่รู้การจะเปิดตานายได้ก็ต้องเปิดด้วยภาวนาคะ การภาวนานี i เป็นการเปิดตาในตาแรกก็คือตาสมถะตาของสมาธิทําให้เราเห็นโลกทิพย์เห็นตัวเราที่แท้จริงว่าเป็นใครแล้วตาที่สองเขาวิปัสสนาให้เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราหลงรักหลงชอบหลงังหลงอยากจะได้การ น, นี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนนี้จังทุกขงังอนัตตาอันนี้ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณา แล้วเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังนรับตาแล้วเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงของมันต่อไปคาถามจากคุณสุภชัยค่ะซื้อบ้านใหม่จำเป็นต้องตั้งศาลพระภูมิไหมครับก็แล้วแต่เราบางคนเขาก็คิดว่าจาเป็นถ้าเขาเชื่อว่ามีเจ้าที่เจ้าทางอยู่เขาก็อยากจะทางที่ให้เจ้าที่เจ้าทางอยู่ แต่จเจ้าที่ยาวทางเขาไม่อยู่หรอกตต๊อปนิดเดียวแล้วเจ้าที่ยาวทางเขาก็ไม่มีร่างกายเหมือนเราเนีนถ้าอยากจะทําอะไรให้กับเจ้าที่ยาวทางก็ทําบุญให้เขาดีกว่าทาบุญที่ให้เขาถ้าเกิดเขา ต้องการบุญเขาก็จะได้รับผลบุญที่เราส่งไปให้เขาการสร้างสารพระภูมินี่เป็นความเชื่อเฉยๆนั่นเองใครจะไปอยู่ในสารพระภูมิเน่แล้วดวงวิญญาณเขาก็ไม่ต้องอยู่ในสารพระภูมิดวงวิญญาณเขาอยู่ในโลกทิพย์สิ่งที่ดวงวิญญาณต้องการก็คือบุญนั่นเองเห็นถ้าอยากจะให กายทิพคือเจ้าที่เจ้าทางนี้เขามีความสุขก็ทําบุญให้เขาดีกว่าเราสร้างสารพภูมิแล้วเราก็ไปเอาข้าวเอากลับไปตั้งไหวจุดทูบจุดเทียนเสร็จแล้วเราก็ไปให้หมากินใครกินหรืไม่รู้ใครกินเหรอใช่ไมมหมแต่เราเชื่อไปของเราอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรายังเชื่ออยู่เรายังรู้สึกไม่สบายใจถ้าเราไม่มีสารพภูมิก็ทําไป อันนี้ไม่ห้ามกันแต่ถ้าได้ศึกษาทำได้ปฏิบัติทําแล้วจะไม่มีสารพะพูงวัดไหนมีสร้างสารพะพูงนะวัดแต่ละวัดเขาไม่มีสร้างสารพะพูงกันเพราะว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงมีแต่สร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็อุทิศให้กับพัว ก, กายทิศทั้งหลายพวเจ้าเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายไปออวงพ่อเจ้าคะที่ ที่บวชสวดตอนเช้าค่ะก็จะมีบทสวดว่าวิญญาณตามสถูปตามเรือนล้างแบบนี้ค่ะก็นั่นแหละมันก็เป็นความเชื่อนั่นเองอันเพราะบุคคนเราชอบไปเห็นผีเวลาไปอยู่ที่เปียวแล้วที่เห็นมันไม่ได้เห็นของจริงใจเราอุปทานสร้างมันขึ้นมาท่านนีแต่ถ้าไปเป็นกลุ่มไม่เห็นใถ้าไปสักหลายหลายคนนี่อยู่ที่ไหนก็ไม่เห็น พอไปนั่งคนเดียวนี่ปั๊บเดี๋ยวไอ้นุ่นมาละไอ้นี่มาล ะ, ลาละเต็นไปหมดเลยมันเป็นความเชื่อของคนที่ยังไม่มีสติไม่มีปัญญาพอไปอยู่ที่ไหนเปลี่ยวเปี่ยวขึ้นมาก็เลยเกิดความเกิดมีความรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆโผล่มาบางทีลมพัดใบไม้หน่อยก็คิดว่ามีอะไรมาลนะบางทีมีตุ๊ ก, กตาตุกแกอะไรมันวิ่งบนหลังคาหน่อยก็คิดว่าอะไรมานะ อันนี้เป็นเรื่องของคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาะคนที่ไม่ได้ภาวนาถ้าคนที่ภาวนาจริงแล้วจะรู้ว่าอดวงวิญญานี้เขาเป็นอย่างไรเขาไม่มีเวลามาหอกพเราหลอกหอกเราเขาก็ไม่ได้ไจากการมานั่งหลอกเราไอ้ตัวที่หลอกเราก็าคือตัวอุปทานตัวความคิดปรุงแต่งของเรานั่นเองแต่ถ้าไปสักสองสามคนนี่ไม่มีนะแต่ถ้าอยู่คนเดียวมาเลย คำถามจากคุณเจรนานค่ะเพื่อหนูชาวเยอรมันอยากเห็นสวรรค์กับนรกค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนําสั่งสอนค่ะก็บอกเขว่าสวรรค์นรกก็อยู่ในใจเรานี่แหละเวลาเราทุกข์แสดงว่าใจเราเป็นนรกแล้วเวลาเราสุขใจเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาเพราะใจนี่แหละผู้ที่เป็นนรกเป็นสวรรค์เวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่านรกก็ว่าสวรรค์ เวลาใจมีร่างกายเราก็เรียกว่าใจสุขใจทุกข์แต่มันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละหรือเวลาเรานอนหลับก็เหมือนกันเวลาเรานอนหลับนี่ใจของเราก็ถ้าฝันดีก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าฝันร้ายก็เป็นนรกขึ้นมาฉันนรกสวรรค์มันอยู่ในใจของพวกเราทุกคนมันไม่ได้เป็นสถานที่เป็นเหมือนเชียงใหม่เป็นกรุงเทพอะไรอย่างนี้มันเป็นสภาพจิตของพวกเรา ที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปของพวกเราทำบุญบุญมันก็จะผลิตสวรรค์ผลิตความสุขขึ้นมาในใจทำบาปมันก็จะผลิตความทุกข์ผลิตนรกขึ้นมาภายในใจจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกระผมพยายามภาวนาพุทโธทุกอริยบทบางครั้งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตแล้วดับที่จิตและเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจิตของเราไปสมุิขึ้นมาทั้งนั้น บางครั้งก็ไม่เห็นกระผมปฏิบัติถูกไหมครับก็อย่าลืมพุทโธความยังพุทโธนี้เพื่อให้จิตเราหยุดคิดนี่เรายังคิดอยู่ตอนนี้ยังไม่ใช่ถึงเวลาคิดตอนนี้ให้หยุดคิดก่อนใช้พุทโธหยุดความคิดก่อนเพื่อเวลานั่งสมาธิใจจะได้สงบใจจะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาคิดได้ แต่ตอนนี้ตอนเริ่มต้นนี้ถ้ายังฝึกพุโทโธอยู่นี้ไม่ควรคิดเนี่ยควรจะให้หยุดความคิดเวลาจะคิดอะไรนี่แสดงว่าเราไม่ได้พุโทโธนะเดีน<ม>พอมันคิดปั๊บเราต้องกลับมาพุโทโธใหม่ก่อนหยุดความคิดต่างๆให้ได้<ม>เพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบเพื<ม>่อจะได้พบกับความสุขของความสงบให้ได้ก่อนพอได้แล้วทีนี้เราก็จะค่อยมาคิดมาดูความเป็นจริงต่อไปได้ ว่าสิ่งต่ตางๆมันก็เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละเกิดจากความคิดปรุงกั่งของเราเกิดแล้วก็ดับดับเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกเหมือนเหมือนเป็นแสงเข่งห้อยนะเกิดดับเกิดดับของมันไปแล้วเราก็ไปหลงยินดียินร้ายกับมันแล้วก็เป็นบ้าไปกับมันบ้างเออน้องแก้ปัญหาต่อไปด้วยปัญญาว่าอย่าไปหลงตามมันให้รู้ว่ามันเป็นอาการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่เที่ยงเป็นอนัตตา เราแค่รู้ทันมันอย่าไปยุ่งกับมันแล้วต่อไปมันก็จะหายไปมันก็จะว่างหรือถ้ามันเกิดเราก็จะรู้ทันมันปล่อยให้มันเกิดแล้วปล่อยให้มันดับไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการอุทิศบุญนั้นทุกดวงจิต ท, ที่เราอุทิศได้บุญเท่ากันไหมคะหรือจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเรากล่าวให้ใครก่อนหลังหรืออยู่ที่บุญบาปที่เขาจะได้รับเจ้าคะ ก็อยู่ที่เราเป็นคนให้เราจะแบ่งว่าคนนี้ให้หนึ่งกัมคนนี้ให้สองกัมก็ว่าไปถ้าไม่ให้เขาคงจะไปแบ่งกันเท่าๆกันถ้าของทีให้สิบคนโดยที่ไม่ได้บอกว่าเท่าไหรต่อคนเขาก็คงจะไปแบ่งกันได้เท่าๆกันแต่ถ้าเราบอกว่าของคนที่หนึ่งนี้สองกัมคนที่สองนี่หนึ่งกัมเขาก็ต้องทําไปตามที่เราสั่งถ้าเราไม่เอ่ยชื่อของคนนั้นคนนั้นก็จะไม่ได้ ถ้าจําชื่อไม่ได้ก็ให้นึกถึงว่าคนนั้นเป็นใครอย่างไรมีฐานะเกี่ยวข้องอะไรกับเราก็ได้แทนก็ได้คําถามจากคุณแอสบอลเลอร์ค่ะการสร้างความหลงให้ผู้อื่นมากขึ้นเราจะบาปไหมครับก็บพาให้เขาหลงมันจะมันก็ไม่ถูกมัน ก, มนก็มันก็เป็นการกระทําที่ไม่ดีหลอกให้คนเขาก็เรียกว่าถือว่าหลอกหลอกลวงหลอกลวงก็บาป คำถามจากคุณโกอนุรักษ์ค่ะเมื่อนั่งสมาธิเข้าสู่ความว่างเหลือเพียงตัวรู้ทุกอย่างวางทั้งหมดเมื่อสมาธิคลายความรู้ตัวมีร่างกายกลับมาอีกพร้อมกับมีความคิดเข้ามาเมื่อมีสติจะกลับเข้าไปในความว่างอีกสลับไปมาแบบนี้สังเกตดูว่าช่วงเวลาของความว่างมากขึ้นเรื่อยๆช่วงเวลาที่มีความคิดลดสั้นลงคำถามคือ <c oughs> ช่วงเวลาที่เราเข้าสู่ความว่างความสงบเราควรตั้งสติฝืนบังคับให้ช่วงเวลาที่อยู่กับตัวรู้ให้นานขึ้นหรือควรปล่อยให้เป็นของมันเองหรือทําประการใดให้พัฒนานขึ้นครับก็ควรที่จะทําให้จิตว่างให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้มันอยู่กับความว่างกับผู้รู้ mm. เพื่อมันจะได้ไม่หลงไม่ลืมแล้วต่อไปเวลาออกจาก สมาธิมาจะได้ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าจิตเป็นเพียงผู้รู้จิตไม่ได้เป็นร่างกายตัวเราของเรานี่เกิดจากการความคิดปรุงแต่งของจิตตัวเราที่แท้จริงไม่มีมันเกิดจากการคิดปรุงแต่งขึ้นมาของจิตฉนั้นจิตมีหน้าที่เดียวก็คือให้รู้เฉยๆเป็นสักแต่ผู้รู้ไปเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่ารู้ ไม่ต้องมีตัวตนไปตอบรับเหมือนโทรศัพท์ไม่มีเบอร์นีใครจะโทรก็โทรไม่เข้าคำถามจากคุณสุภาชัยค่ะคนที่ตายที่โรงพยาบาลแล้วนิมนต์พระนำกลับวัดหรือบ้านคนตายเขาจะกลับได้จริงไหมครับพอเขาไปตามวาระของเขาแล้วเขาไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตหรือไปเป็นอะไรแล้ว ที่ทํานี้เพียงแต่ไปเอาร่างกายทั้นั้นเพื่อความสบายใจของคนเป็นของที่ยังคนมีอยู่เพราะตามความเชื่อว่าต้องมีพระมามาดึงกลับไปแต่พระดึงไม่ได้หรอกมันเรื่องของกรรมกฎแห่งกรรมไม่มีใครเหนือกรรมพอร่างกายนี้ตายไปปั๊บเนี่ยจิตนี่ถูกกรรมเป็นผู้จัดการทันทีเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรม เป็นผู้ให้เป็นผู้รับผลของกรรมจะทำกรรมอันไว้อันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นฉนั้นกรรมก็จะจัดสรรทันทีให้เราไปเป็นเปรตเป็นเดชะชานไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพระอริยะแล้วแต่กรรมที่เราสร้างไว้คำถามจากคุงกรุงจินค่ะ ถ้าใจอุเบกขาแล้วมักจะวศมักจะวกกลับไปทางกา ร, รมคุณควรฝึกอย่างไรไม่ให้ไปทางกา ร, รมคุณครับอ๋อก็ต้องเจริญอสุภะเจริญอสุภะดูความไม่สวยงามของสิ่งต่างๆของมันเก่าได้ใหม่แล้วมันเดี๋ยวมันก็เก่าทุกอย่างมันมีเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมพอเห็นความเสื่อมเห็นความส่วนที่ไม่สวยไม่งามมันก็จะเกิดความ หายหายความอยากในการมาคุณได้และพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกรูปเสียงกลิ่นรสบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีเวลามีก็สุขเวลาไม่มีก็ทุกค <ำ S 1> <ต>ําถามเป็นอนัตาไปควบคุมไปบังคับมันไม่ได้คําถามจากคุณดาดาค่ะถ้าเราพบเจอคนที่ไม่ชอบหรืออิจฉาเราเราเลือกที่จะไม่คบ หรือนี้คนเหล่านั้นถูกต้องไหมเจ้าคะหรือควรวางใจอย่างไรกับคนเหล่านั้นเจ้าคะก็ทำใจเฉยๆไปถ้าทำใจเฉยได้ก็ครบก็ได้ไม่ครบก็ได้เรายังต้องแผ่เมตตาให้กับสรรพษัตว์ทั้งปวงทั้งกับคนที่เราชอบและไม่ชอบก็ตามถ้าเราทำใจได้เราก็ครบได้ถ้าต้องการถ้ามีความจาเป็นต้องครบเช่นทำงานร่วมกันอย่างนี้ก็ต้องครบกับครบกันไป แต่เราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาส่วนตัวเขาจะเป็นคนอะไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปเราก็ไม่ไปไม่มีความรู้สึกอิดหนาละอาใจเรืออะไรถ้าเราทาใจเป็นถ้าเราทาใจไม่ได้อยู่ใกล้เขาเรารู้สึกทุกข์ก็ต้องเลีกไปเลีกเลี่ยงไปก็อยู่ที่กำลังใจของเราว่าเราทำใจได้มากน้อยเพียงไร แต่อย่าไปนังเกียตเขาจะส่างเกิดการเกลียดเกียดชังกันขึ้นมาแล้วทำให้เกิดเป็นการจองเวรจองกรรมกันต่อไปก็แล้วกันพยายามรักษาสัมพันธ์ธรรมะตีไว้ให้ได้ใช้ความเมตตายิ้มให้เขาบ้างเดี๋ยวต่อไปอาจจะชอบกันขึ้นมาก็ได้คนเรามันอาจจะมีหลายมิติ เขาอาจจะมีส่วนไม่ดีแต่เขาส่วนที่ดีเขาก็อาจอา จ, จะมีก็ได้แต่เรายังมองไม่เห็นเดี๋วดีไม่ดีเดี๋ยวอาจจะมองข้ามในส่วนที่ไม่ดีเข้าไปก็ได้คำถามทุดท้ายค่ะคําถามจากพี่ตุ้มค่ะร่างทรงของเทพเจ้าแต่ละองค์และพระจีนมีจริงหรือไม่ครับและที่บอกว่าท่านลงมาโปรดสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจ แต่ในช่วงเวลาที่สําคัญต่างๆนั้นท่านลงประทับร่างมนุษย์จริงหรือไม่ครับท่านมาโปรดสัตว์จริงหรือไม่ครับก็จิตของเขาเนี่ยประทับร่างของเขาเน่ยจิตอื่นจะมาเข้าจิตจิตถึงไม่ได้หรอกจิตใครจิตมันมันก็เป็นการแสดงของจิตนั่นแหละจิตเป็นตัวแสดงแล้วก็วงแต่งขึ้นมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเท่านั้นเอง เหมือนเราก็ปรุงแต่งว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมเราเป็นนายกรนายขอเพียงแต่ว่าเราต่างจากเขาคือเราไม่ไปปรุงว่าเราเป็นเทวดาลงมาเข้าล่างเราท่านนี่แต่เขาแผงนิดมากกว่า น, นั้นเขาสามารถ อ, อปรุงแต่งว่าเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรมอะไรมาเข้าจิตของเขาได้ก็ปล่อยเขาปรุงแต่งไปเข้าได้ก็เข้าได้แล้วทําอะไรให้เราได้เปล่าลก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดี